ความในสมมาเทศสูตรนา528ร้อยิข้อหนึ 28, ่ิก้าเศูเหล่านั้นได้กราวเปลี่ยนท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าคือท่านได้ฟังพระสารีบุตรแสดงจบอ่ะนะท่านก็มีการชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรวาสาธุอย่างนี้แล้วก็กราวเปลี่ยนถามปัญหาให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกกับท่านพระสารีบุตรว่าใต้เท้าครับยังมีอีกหรือไม่เหตุคือประยายแม้อย่างอื่น ที่จะให้อริยะสาวกมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัจธรรมนี้พระสารีบุตรก็ตอบว่ายังมีอยู่คุณแล้วก็ได้กล่าวว่าด้วยเหตุที่อริยะสาวกรู้ชัดพบนะรู้จักรู้ชัดภาวะสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดพบรู้ชัดพบนิโรธความดับแห่งพบ รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับภพบก็คือพบพบสมุไทยพบนิโรธพบนิโรทคา ม, มินีปฏิปทานะเพียงเท่านี้แลคุณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัตวธรรมนี้ก็พิจารณาพบพบสมุไทยพบนิโรธพบนิโรทั า, า ม, มินีปฏิปทา นะครับประมวลพบลงสูอริยสัจทั้งหลายถามว่าพบคืออะไรเล่าคุณก็บอกว่าพบพบคืออะไรเหตุเหตุเกิดแห่งพบคืออะไรความดับแห่งพบคืออะไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งพบคืออะไรแต่ว่าพบมีสามคือกามะพบรูปประพบและอรูปประพบเพราะอุปาทานเกิดพบจึงเกิดเพราะอุปาทานดับพบจึงดับ อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดนี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับภพบคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคนเมื่อใดแลอริยาสาวกรู้ชัดซึ่งภพอย่างนี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งภพรู้ชัดความดับแห่งภพรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับภพบอย่างนี้ เธอก็จะละราค่าเสียได้บรรเทาปฏิคานุสัยถอนทิฏฐิและมานะว่าเรามีอยู่ออกได้ละอวิชาได้แล้วโดยประการทั้งปวงอย่างวิชาให้เกิดแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุเตียงเท่านี้แลอวุโสอริยาสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัตวธรรมนี้ คำว่าพบเนี่ยนะพบพบสมุทัยหรือว่าภาวะภาวะสมุทัยภาวะนิโรธภาวะนิโรธาคารมินีปฏิปทาเนี่ยภาวะหรือพบนี้แบ่งออกเป็นสองอย่างคือกรรมมพบกับอุปาติพบรรดาพบสองอย่างเนี่ยกรรมที่เป็นเหตุให้เข้าถึงกรรมมาพชื่อว่ากรรมมพอธิบายว่ากรรมนั่นเองท่านกล่าวว่าพบโดยกล่าวถึงผล คือพูดถึงกรรมแต่หมายถึงผลของกรรมเช่นว่าการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นสุขเนนะถ้าที่อื่นเนี่ยบอกว่าลัดสั้นๆเลยว่าเป็นสุขแต่หมายถึงว่าการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุให้มีความสุขว่า ง, งั้นนะเป็นเหตุแห่งความสุขหรือการสะสมบาปเป็นเหตุนํามาซึ่งทุกข์ อันนี้นี่เขาแปลแปลเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีเดิมๆนะจะมีคําสั้นๆที่หมายพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสุขทําบาปแล้วทุกหมายว่าไงบายถึงพูดถึงผลพูพูดเหตุก็พูดพูดผลหมายถึงเหตุหรือพูดเหตุหมายถึงผลในลักษณะนี้แต่ตรงนี้หมายถึงการกล่าวถึงผลพูดเหตุแต่หมายถึงผลหรือบ า, บางแห่งก็พูดถึงผลแต่หมายถึงเหตุ เพราะกรรมมาพบนั่นแหละเป็นเหตุแห่งอุปัติภพขันธ์ทาัญจากาที่ตัญหาและที่ถือยึดครองแล้วเกิดขึ้นแล้วด้วยกรรมนั้นชื่อว่าอุปัติภพเพราะว่าขันธ์ทาปัญจากานั้นท่านกล่าวว่าพบเพราะวิเคราะห์ว่าเป็นที่เกิดเมื่อเป็นอย่างนี้ทั้งสองอย่างคือกรรมมาพนี้และอุปาติภพนี้นะแบ่งออกเป็นกรรมพบกับอุปาติภพแม้ในกรรมาพบ โดยประการทั้งปวงในรูปประพบอรูณ ป, ประพบก็ทํานองนี้ทํานองเดียวกันท่านอธิบายเหมือนว่าท่านเข้าใจง่ายๆไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเนี่ยนะก็ ค, คิดง่ายๆนะถ้าคนที่แยกแยะเหตุกับผลได้ชัดเจนเนยนะกายกรรมวจีกรรมบางอย่างเป็นเหตุให้เกิดในในนรกอันนั้นไล่มาเลยกายกรรมวจีกรรมบางอย่างเป็นเหตุให้เกิดในเปรต กายกรรมวจีกรรมบางอย่างทําให้เกิดในเดรชาณกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะทั้งสามทวารเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นเหตุให้เกิดเป็นเดรชาณหรือเกิดเป็นอสุรกายได้สรุปว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นเหตุให้เกิดในอบายได้นี่ในที่1ในที่2กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นสุจริตเป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดา กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี้เรียกว่ากรรมพภพผลที่ออกมาคือการเกิดในนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานความเป็นไปแห่งชีวิตของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเรียกว่าอุปาติภพเหตุคือกรรมพภพผลคืออุปาติภพเหตุทีออ่ทำให้เกิดในอบายเรียกว่ากรรมพภพผลคืออบายเรียกว่าอุปัติภพ เหตุคือกายกรรมวจีกรรมที่ทําให้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเหตุคือกรรมภพการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็เป็นอุปาติภพกรรมภพคือตัวเจตนาคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเรียกว่ากรรมภพผลออกมาคือปฏิสนธิและกรรมชรูปทั้งหลายวิบากจักรภูวิญญาณโสตวิญญาณสีระร่างกายเป็นต้นเป็นอุปาติภพเนี่ยนะเป็นอุปาติภพก็แบ่งเป็นกรรมและ ผลของกรรมนั่นเองอย่างเช่นการเจริญชาญในมนุสโลกเหตุคือการเจริญชาญในมนุสโลกผลก็คือการเกิดในรูปประพรมหรืออรูปประพรมพันเจตนาชาเป็นกรรมมาพบการเกิดเป็นพรหมเกิดในพรห ม, มโลกทั้งหลายก็เป็นอุปาติภพแล้วทาไมไมาแยกให้มันยากเสียละเกินน่ะทําไมไม่พูดรวบราดเลยคือ ที่แยกเยอกๆเยอะ ๆ, ๆเนี่ยนะมันจะได้เข้าใจชัดว่ากรรมบางอย่างนำไปสู่นรกกรรมบางอย่างนาไปสู่เปรตกรรมบางอย่างนำไปสู่เดรัจฉานกรรมบางอย่างนำไปสู่มนุษย์กรรมบางอย่างนำไปสู่เทวโลกคือมีการจำแนกแบบนี้มันจะได้เห็นชัดว่าเขาถามว่าเขาดูจากอะไรก็ดูจากเหตุนี่แหละว่าอนาคตผลควรจะมีอะไรถ้าพูดถึงเหตุคือกรรมมพบผลก็คือ อุปติภพเช่นมีปกติอยู่ด้วยอกุศลมีปกติอยู่ด้วยความโลภความโกรธและความหลงเป็นทุจริตทั้งที่เป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วก่อนตายก็เป็นอักุศลด้วยชาติต่อไปควรอยู่ที่ไหนวิบากและกรรมสรุปต่อไปก็เขื่อบายทีนี้ถามว่าถ้าชีวิตโดยปกติอยู่ด้วยกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตก่อนตายก็อยู่ในสุจริตระลึกถึงแต่ สุดเจริญมนุษย์กับเทวดาทีนี้ถามว่าท่านปกติได้ปฐมฌานก็ปฐมฌานภูมิสามเกิดได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าปกติอยู่ด้วยทุติยฌานทุติยฌานภูมิสามชั้นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าปกติอยู่ด้วยตติยฌานวิบากก็คือตติยฌานภูมิสามอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าปกติอยู่ด้วยจตุทัชฌานก็ว่าจตุทัชฌานคือ เวหัพลาหรือว่าอสัญยาสัตย์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าปกติอยู่ด้วยอรูปปชาญเจริญอรูปปชาญได้วิบากต่อไปก็คืออรูปปชาญหรืออรูปปพรหมหรืออรูปปพบนั่นเองมันก็ก็แยกแยกแยกแยกอย่างนี้หรืออีกในหนึ่งก็เป็นการแยกตามเรียนพิธรรมมาเรียกว่าแยกตามเจตนายีิบเกเจตนา29้าคือกรรมภพวิบากต่อไปก็คืออะไร โอปปติภพเนี่ยนะก็ตามสมควรแก่เจตนาเนี่ยนะเป็นการจําแนกอย่างละเอียดว่ามีกรรมเป็นของของตนพันของเราทั้งหลายกายกรรมวจีกรร ม, มโนกรรมที่ใช้อยู่ในชีวิตนี้ถ้าเข้าใจในสภาพของกุศลอกุศลรู้จักวิบากของกุศลอกุศลเนี่ยแทบจะบอกได้เลยว่าควรคนเกิดที่ไหนแต่เชื่อแน่ๆไมมพรมโลกตัดหมดสิทธิ์ไม่ยังถ้าได้ฌานก็ถ้าได้ฌ า, า, านก็ดีไปถ้ายังไม่ได้ฌาน นะถ้าบะชีวิตเกิดมาทําทั้งดีทําชั่วทําทั้งบุญทั้งบาปดีก็ทําเยอะนะบาปก็ไม่น้อยอะ่ะไปไหนดีตกลงไปไหนดีเอ้าบุญก็ทำนะบุญก็ทําไม่น้อยนะเออบาปก็ไม่เบาเหมือนกันนะคิดไปคิดมาไอ้ทําบาปเหมือนกันเกิดที่ไหนดีก็ต้องไปดูใบเบิกทางว่าก่อนตายนี่ใช่อะไรเป็นใบเบิกทางเอ้าก็แล้วแต่ก่อนตายเนี่ยเบิกด้วยอะไรถ้าเบิกถ้ า, ถา คือคิดง่ายๆว่าวถ้าอากุศลโดยส่วนเดียวเนี่ยมันตอบง่ายใช่ไหมโดยมากก็อบายถ้ากุศลอย่างเดียวไม่ทําบาปเลยก็สุคติถ้าทําทั้งสองอย่างล่ะอนุธรรมทั้งสองอย่างก็สุดแท้แต่ว่าก่อนตายเนี่ยจะระลึกถึงอะไรถ้ากุศลแลจิตเกิดก็ไปดีถ้าอากุศลเกิดก่อนตายก็ไปไม่ดีหมาว่ามีสาระไม่ก่อนตายถ้ามีพุทธังสารนังขจฉ า, ามิเป็นต้นก่อนตายก็ไปดี ถ้าไม่มีสาระอะไรเลยคิดถึงแต่ความหลังครั้งเก่าแก่ที่ไม่ใช่บุญถ้าอย่างนี้ก็ไม่ดนะีก็แล้วแต่ว่าจะไปยังไงก็ถามใจเอากันแล้วกันนี่ที่สาคัญอีกอันหนึ่งเนี่ยนะที่สาคัญอีกอันหนึ่งนว่ากรรมเนี่ยนะมันเป็นตัวจำแนกแจกแจงแยกแย ก, แยกสมมติภาพตัวเองปกติอยู่ด้วยอกุศลสังเกตดูว่าอากุศลประเภทไหนมาก สมมุท่าท่าสว่กรตายอยู่ด้วยอกุศลก็บอกว่าท่าคติแห่งราคะโดยมากเปรคติแห่งโทสะโดยมากนรกคติแห่งโมหะโดยมากเดรชามิจฉาทิฏฐิก็นับเนื่องในเดรชานหรือนรกน่ยนะก็ก็มาดูที่ที่กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมว่ามันหนักท่าตัวไหนหนักถ้าตัวไหนหนักก็ไปนั้น ถ้าเป็นโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นแบบประเภทดุร้ายแล้วเกิดเดรัชานก็เป็นเดรัชานกลุ่มที่ดุร้ายเนี่ยนะหรือว่าแบบประเภทแบบเดินไม่ตรงหมุนรอบตัวอยู่นั่นแหละก็กรรมก็วิบากมันจะยุติธรรมหมดนะพยายามดูดูภาพของของผลที่มันเกิดขึ้นแล้วสาวไปหาเหตุมันจะมีคนที่ชอบทําเหตุประเภทแบบนั้นด้วยนะในที่สุดก็จะได้รับวิบากลักษณะนั้นคือทางไปของเขานั่นคือทางดําเนินแห่ง กรรมและผลของกรรมแต่ว่าเราต้องแบบต้องไม่เมาอ่ะนะต้องไม่เมาต้องไม่หลงต้องไม่ลืมต้องไม่เลอะเลือนแล้วก็สังเกตพยายามว่าถ้าผลออกมาอย่างนี้มาจากเหตุอะไรผลแบบนี้เหตุอะไรผลแบบนี้เหตุอะไรแต่ว่าถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเลยก็เอาตามพระพุทธเจ้าก็ง่ายดีคืออบายทุกติมินิบาตานรกไม่ได้เกิดจากกุศลสุคติคือการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดามไม่ได้เกิดจากอากุศล อกุศลเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนะิโรกถ้ากุศลเป็นเหตุให้สุขตินะมนุษย์หรือเทวดาถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเดรฉ า, านทั้งหลายให้ถามได้เลยว่ามาจากอากุศลในอดีตถ้าพูดเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งหลายถ้าเราไม่เผลอมาจากกุศลจะต้องพูดในในสองส่วนนี่จะต้องอหลักการก็อยังว่าปัจจุบันผลอขออภัยปัจจุบันเหตุอนาคตผลต่อไปควรเป็นอะไร ถ้าปัจจุบันผลแบบนี้อดีตเหตุคืออะไรโดยปกติเป็นคนที่คิดอดี ต, ตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลซึ่งมันเชื่อมอย่างนี้ขณะใดมัง่งไม่มีปัจจุบันเหตุอนาคตผลที่จริงอะทุกขณะที่ชีวิตดําเนินเป็นไปเนี่ยอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลอดีตเหตุเป็นปัจจัยให้เป็ น, นมนุษย์แบบนี้แล้วปัจจุบันเหตุปัจจุบันเหตุของวันนี้ยอนาคตผลควรจะเป็นอะไรคือ ชีวิตในข้างหน้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพยากรณ์ในแน่นอนแต่โดยปกติทั่วๆไปแล้วกรรมมันทํามากมายเหลือเกินเนี่ยนะจนแทบจะพยากรณ์ยากเลยว่าชวนจะไปไหนนะก็สุดแท้แต่ว่าถ้าปฏิสนธิก็แล้วแต่กรรมก่อนตายนะว่าก่อนจะตายเนี่ยนึกถึงอะไรเนี่ยนะถ้าระลึกถึงกุศลกรรมกุศลกรรมก็นําเกิดระลึกถึงอกุศลกรรมอกุศลกรรมก็นำเลลอรรอท่านึกถึงกุศล ก, ก, ก, ก, กุศลก็นำเกิดท่านนึกถึงอกุศลอกุศลก็นําเกิดท่านท่านึกถึงเครื่องมือทั้งหลายนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพเกิดที่ไหนดีคะเน่ต้องดูเท่าว่าเครื่องมืออันนั้นเนี่ยสีเสียงกลิ่นรสเมื่อเราคิดถึงเนี่ยนะในฐานะเครื่องมือแห่งกุศลหรืออกุศลถ้าเครื่องมือแห่งกุศลก็ไปดีถ้าเครื่องมือแห่งอกุศลก็ไปไม่ดี หรือบางทีอีกอันหนึ่งก็แบบอะไรนะเขาเรียกว่าฝันไปเรื่อยพวกนี้คตินิมิตก็แล้วแต่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายก่อนตายนะพวกนี้คตินิมิตนะเหมือนกับฝันไปเรื่อยฝันแล้วหลับแล้วหลับเลยฝันไปเรื่อยเลยพวกนี้คือคตินิมิตว่าดูว่ากําหนดฝันได้ไหมกําหนดให้ฝันอย่างเดียวฝันแต่ที่ดีๆได้ไหมยากถ้ากําหนดฝันไม่ได้ก็ไปดียากกําหนดฝันยากก็เขาต้องฝึกจริงๆนะถ้าไม่ฝึกมันก็อย่างว่านะ มันมีอะไรที่มันง่ายว้างในโลกนี้อย่างที่กล่าวไปว่าแม้กระทั่งว่าประกอบอาชีพในโลกนี้แต่ละวันแต่ละวันก็ไม่ใช่ว่าง่ายแต่ถ้าเราคิดว่าการไปในในชาติหน้าเนี่ยนะไปแบบไม่ได้กลับมาอีกเราจะต้องเตรียมตัวขนาดไหนอา้าวสมมุติถ้าใครใครจะไปไหนสักแห่งหนึ่งอ่ะนะไปแค่สามวันเจ็ดวันก็ยังเตรียมตัวกันไอที่ไปไม่กลับไม่ค่อยเตรียมตัวอ่อไปแล้วไม่กลับอีกเลยนะถึงกลับมาเชื่อเหอะเขาก็ไม่คุยกับเราหรอก เรงเราและเรื่องชาติได้เขาก็คุยที่นีน่หน่อยๆก็พอแล้วนะเขาไม่คุยกับเรามากหรอกใช่ไหมคะทั้นถ้าเราไปแบบไปไม่กลับเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างขนาดไปแค่สองวันสามวันเรายังเตรียมตัวเรารู้เลยว่าควรจะใช้อะไรต่อไปบ้างชีวิตในอนาคตต่อไปเราเตรียมตัวยังไงเ อ, อ้ยอีกในหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อไฟไหม้บ้านไปไม่ลุกท่วมเลยนะเจ้าของใครหยิบอะไรออกได้อันนั่นแหละเป็นของเขาถ้าหยิบออกไปไม่ได้ไฟไหม้หมด ชั้นใดโลกทุกคนนี่ถูกไฟคือชราและมรณะเผาของที่มีเราอยู่เนี่ยนะควรบริโภคและควรให้ทานเป็นต้นของใดที่เราบริโภคไปหรือให้ทานไปนั้นเป็นของเราส่วนของที่เหลือก็เป็นของประจำโลกว่างานเถอะเป็นของที่พระเพลิงเผาเกลี้ยงเหมือนชาติชรามรณะเผาหมดมันก็สุดแท้แต่ว่าเราจะเกี่ยวข้องอย่างไรเพราะฉะนั้นชีวิตของเราต่อไปในอนาคตนี่เราควรเตรียมตัวเกิดใช้คําว่าเตรียมตัวเกิดเนี่ยนะ เตรียมยังไงเตรียมจากกรรมถ้าเตรียมจากกรรมได้ก็เตรียมผลได้หนึ่งเตรียมกรรมเพื่อความอายุยืนอานน่ะอา m a t e น i a l l เกิดเป็นมนุษย์อยู่แล้วเราเออดัองเกิเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเป็นต้นใครก็ต้องการเกิดในสุขติใช่ไหมที่แน่แล้วสุขติอย่างไรแบบ ช, ชีวิตอายุยืนไม่ใช่อายุสั้นทาไงดีปรารบศีลข้อที่หนึ่งเอาไว้ให้มาก ระลึกถึงศีลข้อที่หนึ่งเอาไว้เสมอสมาทานศีลข้อที่หนึ่งให้มันเยี่ยมเพื่ออนาคตต่อไปจะได้อายุยืนเอาไปเกิดเป็นอะไรนะไปเกิดเป็นเทวดาแล้วมีสิทธิ์อยู่วันเดียวสนุกตรงไห น, นใช่ไหมไปเกิดเป็นลูกพระราชาแต่ว่าแทงอย่างเงี้ยอายุสั้นจะไม่ได้เรื่องอะไรเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องอายุยืนถ้าจะอายุยืนเหตุอยู่ที่ไหนระลึกถึงศีลข้อที่หนึ่งสมาทานศีลข้อที่หนึ่งเอาไว้ให้บ่อยให้มากย้ํา เพราะกุโซลส์คิดดูนะถ้าทําบาปครั้งหนึ่งมันยังบาปครั้งหนึ่งเลยถ้าเราสมาทานศีลหนึ่งครั้งเป็นบุญหนึ่งครั้งไหมเป็นถ้าเราสมาทานวานละสิครั้งล่ะเอาก็เป็นบุญ10ครั้งเดียวก็ทีบาปแหละบาปบาปสมมุติถ้เราตบยุงหนึ่งตัวก็บาปหนึ่งถ้าตบสองตัวก็บาปสองถ้าตบ10บก็บาปสิบถ้าตบร้อยก็บาปร้อยถ้าฆ่าไก่ถ้าฆ่าตัวก็บาปตัวถ้าฆ่าเป็นร้อยก็บาปเป็นร้อยถ้าฆ่าคนฆ่าคนก็บาปคนฆ่าร้อยคนก็บาปร้อยคนแล้วทีศีลสมาทานทีเดียวพอละ ที่ทำเป็นสันโดษไงไม่ควรสันโดษท่ควรระลึกถึงศีลบ่อยๆสมาทานศีลบ่อยๆถ้าร ะ, ะลึกถึงศีลข้อที่หนึ่งได้บ่อยๆสมาทานได้บ่อยอวัละกี่ครั้งดีนึกถึงศีลข้อที่หนึ่งวัละกี่ครั้งดีพูดให้มันสิ่งที่เป็นไปได้แล้วคิดว่าจะทําได้ด้วยอ่ะวันละชั่วโมงเฮ้ยวันละครั้งแหมน้อยไปนะสองครั้งเช้าเย็นน้อย พูดในสิ่งที่ทําได้นะนึกถึงข้อหนึสครั้งเนี่ยนึกแบบไหนนึกถึงเออมีศีลข้อที่หนึ่งหรือนึกถึงว่าเราจะต้องรักษาศีลข้อที่หนึ่งตั้งใจรักษาวันละสิครั้งหรือวันะร้อยครั้งดีก็ที่จริงอ่ะมันนึกที่ไม่บ่อยให้มากที่สุดเท่าที่จะนึกบางได้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยนึกครั้งเดียวก็พอแล้วก็ไม่เห็นขาดอะไรนี่ท่านนึกอย่างนั้นก็ได้บุญทีหนึ่งท่านนึกร้อยทีก็บุญร้อทีท่านนึกบ่อยๆก็บุญบ่อยๆ นี่ถ้าตั้งคำถามบอกบางคนก็บอกโอ้ยพอสมาทานเสร็จก็ตบยุ่งอีกแล้วอย่าสมาทานมันเลยสมาทานแล้วก็รักษาไม่ได้เขาก็งั้นนะก็ <weet> บอกว่ารักษาได้ไม่ได้ก็ต้องสมาทานเหมือนกับว่าถ้าทฤษฎีเดียวกันนี่ถ้าบอกว่าบางคนก็บอกว่าฉันไม่ทํามาหากินหรอกก็ไม่ต้องทำทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จ่ายหมดทําเสร็จเดี๋ยวก็จ่ายหมดมันอยู่นิ่งๆ น, นี่แหละสบายดีไม่ต้องไปทําอะไรเพราะทำมาแล้วก็จ่ายหมดทำมาแล้วก็จ่ายหมด เงินเดือนงานไม่ทําแล้วเพราะมีเงินเดือนออกมาก็จะใา้หมดมีแต่จ่ายหมดก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอย่าไปทํำเลยอย่างงี้ยนะดีไหมอ้าวกุศลศีลก็เหมือนกันอาจจะขาดตกบกพร่องบ้างครั้งคราวแต่ก็ควรสมาทานบ่อยๆยึดถือเอาบ่อยๆศีลอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานี่ยแหละระลึกถึงศีลให้บ่อยๆระลึกถึงศีลข้อที่หนึ่งได้บ่อยๆตั้งใจบ่อยๆอันนั้นประกาศถึงว่าอายุควรจะยืนแค่ไหน ทีนี้ 2. สศีลข้อที่2ว่าให้ทานกับสมาทานศีลข้อที่สองบ่อยๆเป็นตัวกําหนดว่าชาติหน้าควรจะมีทรัพย์แค่ไหนศีลข้อที่สองต้องดีกับให้ทานเนี่ยนะสมาทานศีลข้อที่สองบ่อยๆเป็นเหตุให้ทรัพย์ให้ทรัพย์ยั่งยืนกับให้ทานสองตัวนี้เป็นอย่างดีเนี่ยนะอนาคตก็ควรจะมีพวกทรัพย์หรือไม่มีโภกทรัพย์ก็ดูกันตรงนี้ 3เป็นคนที่มหาชนรักใคร่หรือว่าเป็นคนที่เกลียดของประชุมชนก็ดูศีลข้อที่3ามศีลข้อที่สว่าเราจะเป็นถ้าเราทุศีลข้อที่3สังคมรังเกียจแน่เพราะโลกนี้แค่ชาตินี้เขาก็รังเกียจแล้วไม่ต้องเป็นชาติหน้าอะไรที่ไหนเราชาติหน้ายิ่งหนักกว่าเก่าอีกเพราะว่าเป็นโรคสังคมรังเกียจเนี่ยนะฉะนั้นถ้าถ้าอยากให้อ่าเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจของมหาชน เป็นที่ยินดีของมหาชนทั้งหลายก็ศินข้อที่สามให้ดีๆนะถ้าศินข้อสามไม่ดีเขาก็รังเกียจอยู่แล้วละ่ะเนธถ้าถามว่าอยากปรารถนาให้ตัวเองมีคนพูดคําสัตย์คําจริงของตัวเองบ่อยๆพูดไพเราะ ก, กับตัวเองบ่อยๆก็ดูที่การใช้คําของเราถ้าเราเลือกใช้คําในชาตินี้ได้อนาคตเราก็เลือกรับวิบากทวารหูเป็นต้นได้ทีนี้ถามว่าถ้าเราเลือกฉลาดก็ปรารบเว้นจากการดื่ม สุราและมีไรเพราะว่าศีลเหล่านี้เกิดจากการสมาทานบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆระลึกถึงบ่อยๆตั้งใจบ่อยๆตั้งใจบ่อยๆระลึกบ่อยๆก็เป็นบุญได้บ่อยๆสมาทานบ่อยๆเนี่ยนะดีนี้ข้อต่อไปอีกว่าชาต่อไปเราควรจะท่าตระกูลเราเป็นยังไงก็ดูว่าเป็นคนที่เรียกว่าวันหนึ่งแทบไม่ไม่นมมือไรเลยถ้าอย่างนี้ก็อนาคตต่อไปก็ตระกูลไม่สูงแน่นอนนะ ก็ต้องว่าเป็นผู้มัดพนมมือต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อมเป็นต้นขนาดไหนถ้าอ่อนน้อมมากก็ตระกูลสูงไม่อ่อนน้อมเลยกระด้างมากก็ตระกูลต่ำก็มานะด้วยนะบวกมานะด้วยแล้วก็ต่อไปผิวพันควรจะเป็นอย่างไรเลือกผิวได้ไหมต่อไปได้ไดก็แล้วแต่ว่าโโทสะหรืออะโทสะถ้าโทสะมากอนาคตก็ไม่งามชาตินี้ก็ไม่งามอยู่แล้วล่ะต้องชาติหน้า ถ้าทำกำหนดได้ชาติต่อไปก็งามเนี่ยนะ